บทที่สามสิบเอ็ดปราบดาพิเศษเมื่อทรงปราบปรามค่าศึกภายในเสร็จสิ้นแล้วพระเจ้าอโศกก็วางแผนที่จะกรีธาทัพโจมตีนครต่างๆในดินแดนชมพูทวีปเพื่อรวมเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกัน พระองค์ทรงระลึกถึงเท้าพรตะอดีตกษัตริย์แห่งพรตะประเทศนี้เคยแผ่อนุภาพรวบรวมอาณาจักรต่างๆเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่เมื่อพระเจ้าพรตะสิ้นพระชนแล้วแคว้นทั้งหลายก็แตกแยกกันต่อไปพระโอรสแห่งพระนางวิมังสาทรงตระหนักดีถึงโทษแห่งการแบ่งแยกและคุณของการร่วมกันว่า เป็นเหตุให้มีพลังมหาศาลการบรรดาลผลสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่ปวงมนุษย์แผ่นดินมีกำลังมะหึกมาสามารถต้านทานน้ำหนักแห่งสิ่งปลูกสร้างและสัพพวัตถุในโลกได้ก็เพราะการรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาแผ่นดินในโลกนี้ต่อเป็นพืชผืนเดียวไม่แยกจากกันเลยภูเขานั้นคือส่วนของแผ่นดินที่สูงขึ้น และทะเลเล่าก็คือส่วนหนึ่งของแผ่นดินที่ต่ำลงจนน้ำขังอยู่ได้หว้วยหนองคลองบึงก็เช่นเดียวกันทำฉนไหอาณาจักรต่างๆซึ่งแตกแยกกันอยู่ในภารตะประเทศทำฉนไหอาณาจักรต่างๆซึ่งแตกแยกกันอยู่ในภารตะประเทศทำฉนไหอาณาจักรต่างๆซึ่งแตกแยกกันอยู่ในภารตะประเทศ จะรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อเป็นกำลังสำคัญเพื่อต่อสู้กับศัตรูภายนอกที่จะมาย่ำยีพระองค์ได้ทรงเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ว่าอเล็กซานเดอร์แห่งกรีซสามารถเดินทัพเข้าสู่อินเดียประเทศได้อย่างสบายเพราะเหตุใดพระองค์ทรงตระหนักต่อไปว่าราบใดที่ชาวพราตะทั้ง30แคว้น ยังต่างคนต่างอยู่ความมั่นคงของชาติไม่สามารถหวังได้เลยและแล้วจินตนาการของอโศกก็ยอกย้อนไปสู่อดีตอดีตอันก่อความชอกช้ำให้ชาวพรตะทั้งประเทศนั่นคือเหตุการณ์ในสมัยกรรษัตริย์วงนันทะซึ่งพารตะประเทศได้ถูกย่ำยีจากต่างชาติคือกรีกจนต้องเสียแผ่นดินทางแถบลุ่มแม่น้ำสินธุไป กองทัพแห่งกษัตริย์อเล็กซานเดอร์กษัตริย์แห่งอาณาจักรมาซิโดเนียพระองค์ทรงจินตนาการถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ซึ่งได้ทรงรับการศึกษามาจากสำนักตักศิลาทรงระลึกถึงประเทศอันเกรียงไกลยิ่งประเทศหนึ่งมาในอดีตอันตั้งอยู่ในคาบสมุทรบอนข่านคือกรีตเป็นประเทศโบราณคู่กับโรมัน ครั้งนั้นกรีดแบ่งแยกเป็นแคว้นน้อยแคว้นใหญ่ประมาณ20แคว้นแต่แคว้นที่สำคัญมากมีอยู่3มแคว้นคือ 1. แคว้นสปาตาตั้งอยู่ในหุบเขานิยมการสงครามประชาชนทุกคนได้รับการอบรมให้เป็นทหารมาแต่เล็กแต่น้อย 2. แคว้นเอเทนตั้งอยู่ในที่ราบริมทะเลนิยมอักษรศาสตร์ ปรัชญาและศิลปกรรมต่างๆทั้งสองแคว้นนี้รบพุ่งชิงความเป็นใหญ่กันเสมอจนต่างฝ่ายต่างเพียลงเปิดโอกาสให้แคว้นที่สามได้เป็นใหญ่คือสามแคว้นมาซิโดเนียซึ่งตั้งอยู่เหนือเอเธนส์และสปาร์ตาขึ้นไปพระราชาผู้ครองแคว้นชื่อฟิลิป ได้บำรุงบ้านเมืองให้เจริญด้วยวิธีเอาอย่างเอเทนส์และสปาร์ตาคือบำรุงทั้งการศึกษาศิลปกรรมและการทหารควบคู่กันไปจนกลายเป็นแคว้นมหาอำนาจพระเจ้าฟิลิปได้พยายามรวบรวมชาติกรีกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ถึง20ปีจึงสำเร็จและเริ่มขยายอำนาจปราบปรามประเทศอื่น พอดีสิ้นพระชนเสียก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์พระโอรสเสวยราชต่อมาเมื่อพระชนาอายุ20พันษากษัตริย์องค์นี้มีนิมิตหมายแห่งความยิ่งใหญ่และอำนาจมาแต่เล็กน้อยเล่ากันว่าเมื่ออเล็กซานเดอร์อายุอย่างน้อยวันหนึ่งมีคนนำม้ามาถวายพระเจ้าฟิลิปแต่เป็นม้าพยศมากไม่มีใครขี่ได้ พระเจ้าฟิลิปจึงบอกคืนแก่เจ้าของแต่อเล็กซานเดอร์ห้ามไว้ทูลจะอาสาขี่เองปรากฏว่าสามารถปราบม้าพยศตัวนั้นได้พระราชบิดาถึงกับต้องตรัสว่าแคว้นมาชิโดเนียนี่เล็กเกินไปสําหรับเจ้าชายเสียแล้วเจ้าจะต้องหาประเทศที่ใหญ่กว่านี้เมื่อเจ้าเติบโตขึ้นอเล็กซานเดอร์ได้รับการศึกษาทั้งวิชารบ อักษราศาสตร์และปรัชญาครูที่มีชื่อเสียงของพระองค์ค mm ือเลออนิทดัสและอร mm ิสโตเติลเมื่อขึ้นเสวยราชแล้วก็กรีธาทัพใหญ่บุคทวีปเอเชียในพุทธศักราชร้อยเก้าได้ตีเฟนิเชียนอิหร่าน ส่วนในแอฟริกาอียิปต์ยอมสวามิภักดิ์เมื่อตีอิหร่านได้แล้วก็เดินทับมุ่งสู่ดินแดนพราตะคืออินเดียอโศกมหาราชันทรงจินตนาการต่อไปถึงอดีตสมัยพุทธกาลดินแดนตอนเหนือของลุ่มแม่น้ำสินทุได้เคยถูกรบกวนจากพวกอิหร่านมาแล้วเมื่อพ้นยุคพุทธกาล อิหร่านได้กลายเป็นประเทศมีอำนาจยิ่งใหญ่ในเอเชียตะวันออกจนกระทั่งสมัยต่อมาถูกกรีกปราบลงทัพชาติกรีกลังไหลเข้ามาทางภาคเหนือของอินเดียเข้าสู่บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุตีกรุงตกัศลานครหลวงแห่งแคว้นคันธระแตกแล้วก็บุกตะลุยมาสู่แคว้นปันจนบณที่นั้น อเล็กซานเดอร์ได้พบกำลังต้านทานของพระเจ้าเปาระวะซึ่งมีฉายาว่าสิงแห่งปัญจาบ พ, พร้อมด้วยกำลังพลทหารราบ 40,000 ทหารม้า 4,000 และรถสึกอีก500ช้างอีกจำนวนมหึมาเตรียมรับอยู่ทัพกรีกและทัพพรตะปะทะกันที่ฝั่งแม่น้ำวีตัสตะ อันเป็นสาขาแห่งแม่น้ำสินธุกำลังพลของกรีกมี1 7 0 0 0ข้าแม่น้ำมาได้สำเร็จประกอบด้วยช้างศึกของพระเจ้าเปราระวะแตกตื่นโอลหมนขึ้นทัพปัญจาบจึงแตกพินาศพระเจ้าเปราระวะถูกอาวุธบาดเจ็บสาหาัสและถูกกรีกจับเป็นเชลยเมื่อพระเจ้าเปาวะะถูกจับมาเผชิญหน้ากับอเล็กซานเดอร์ อเล็กซานเดอร์ตรัสถามว่าพระองค์ประสงค์จะให้เราปฏิบัติต่อพระองค์อย่างไรต้องการให้ปฏิบัติต่อเราอย่างกษัตริย์สิงห์แห่งปัญจาพตอบอย่างอมงอาจทรงประสงค์จะขออะไรอีกไหมอเล็กซานเดอร์ตรัสถามคําว่ากษัตริย์ก็ครอบคลุมไปถึงสิ่งทั้งปวงที่เราต้องการแล้วสิงห์ปัญจาพตอบอย่างกระหาร และด้วยความกล้าหาญมีขตัตยามานะรักษาพระเกียรติของพระเจ้าเปาละวะนี่เองทําให้อเล็กซานเดอร์ซึ่งมีพระทัยโปรดคนกล้าหาญอยู่แล้วได้สงคืนบ้านเมืองให้และแต่งตั้งเปาละวะเป็นราชาอย่างเดิมแต่ดํารงตําแหน่งในฐานะประเทศราชอเล็กซานเดอร์เคยกันแสงเพราะรู้สึกว่าไม่มีแผ่นดินจะให้ตีอีกแล้ว เมื่อแลไปทางทิศ ต, ตะวันตกถัดอียิปต์ออกไปก็มีแต่ทะเลทรายยกทัพ บ, บุกเข้ามาถึงทวีปเอเชียตอนกลางเห็นเป็นขุนเขาสลับซับซ้อนเป็นทิวแถวหันไปทางทิศเหนือก็เห็นแต่ดินแดนไซบีเรียซึ่งหนาวเย็นด้วยหิมะหันมาทางใต้สู่อินเดียก็เห็นแต่มหาสมุทรหมดแผ่นดินที่จะให้ตีจึงกันแสงด้วยเสียพระทยัย อันที่จริงยังมีแผ่นดินอีกมากที่ยังเหลือพอจะตีได้คือทางตะวันออกถัดกลุ่มเทือกเขาไปมีประเทศจีนในประเทศภารต้าเองก็ยังเหลืออาณาจักรอีกมากที่ไม่ได้ตีมิใช่เพราะไม่รู้ว่าจะมีแวนแควนเอกราชอีกหลายแควนถัดลุ่มแม่น้ำสินธุลงมาพระองค์ได้สดับความมั่นคงสมบูรณ์ของแควนมคดได้เตรียมญาตราทับมาตีแล้ว แต่พวกแม่ทัพในกองเกิดแข็งข้อไม่ยอมเดินทัพทุกคนอ้างว่าอิดโรยคิดถึงลูกคิดถึงเมียและแลเห็นว่าถ้าตีมคตได้ก็คงเมืองอื่นๆต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดทุกคนร้องว่าอยากกลับบ้านอเล็กซานเดอร์จึงจำพระทัยเลิกทัพกลับบ้านเมืองทางลุ่มน้ำคงคาจึงรอดไปได้ขากลับ ได้แบ่งทัพออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งกลับทางเรือฝ่ายหนึ่งกลับทางบกรวมเวลาที่อเล็กซานเดอร์รบอินเดียอยู่หนึ่งปีกับ8เดือนตีได้เมืองในลุ่มแม่น้ำสินธุตอนบนตอนล่างทั้งหมดเมื่อเสด็จกลับจากพระตะประเทศแล้วก็ไปสิ้นพระชนที่กรุงบาบิโลนแห่งลุ่มแม่น้ำไทกริตกับยูเฟรติส เมื่อพุทธศักราช220มีพระชนมายุเพียง33าพันปาเท่านั้นเมื่ออเล็กซานเดอร์ตีได้เมืองใดถ้าไม่ทรงตั้งให้ชาวพื้นเมืองหรือเจ้าของเดิมซึ่งสวามิภักดูแลต่อไปก็จัดตั้งนายทัพนายกองชาวกรีกเป็นหัวหน้าปกครองพร้อมด้วยทิ้งกองทหารกรีกไว้ให้พอสมควรสำหรับเป็นกำลังจึงปรากฏว่า บ้านเมืองบางแห่งในอินเดียและในเอเชียกลางมีผู้ปกครองเป็นชาวกรีกครั้นพระเจ้าอาเร็กซานเดอร์สิ้นพระชนแล้วบรรดาแม่ทัพนายกองเหล่านี้ก็พากันประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่ออาณาจักรกรีกในยุโรปอีกต่อไป ทุกคนต้องการเป็นตัวแทนอเล็กซานเดอร์จึงทำสงครามลบพุ่งกันยุ่งเหยิงครั้งนั้นข้าหลวงกรีกผู้หนึ่งซึ่งอยู่ดูแลพระเจ้าเปาระวะเป็นกบทจับพระเจ้าเปาระวะปรุงพระชนทำให้ชาวพรารตะโกรธแค้นมากลุกขึ้นจับอาวุธขับไล่พวกกรีกอโศกชงจินตนาการต่อไปถึงพระอัยกาของพระองค์ คือพระเจ้าจันทรคุปซึ่งมีบทบาทสำคัญมากคนหนึ่งในบรรดาชาวพระตะผู้กู้ชาติทรงเป็นคนหนุ่มที่ฝ่ายสูงและกล้าหาญทรงเป็นต้นกำเนิดแห่งโมริยะวงจันทรคุปเคยซ่องสมผู้คนจะชิงราชสมบัติของกษัตริย์นันทะแต่ความลับรั่วไหลเสียก่อนจึงทรงหลบหนีไปอยู่ที่ตักกาศิลา และทรงรับอาสาอเล็กซานเดอร์นำทัพกรีกเข้าตีแคว้นมาคตแต่อเล็กซานเดอร์ไม่ยินยอมเมื่อกรีกเลิกทัพกลับไปแล้วจันทรคุบก็เที่ยวป้วนเปี้ยนรวบรวมพักพวกอยู่แถวปัญจาบและชายอนาเขตมาคตโชคดีหรือความสำเร็จมักมีแก่ผู้ที่มีความพยายามจันทรคุบได้อาจารย์เสนาธิการคนสาคัญคนหนึ่งชื่อ านกพรามเป็นคนมีไหวพริบได้เป็นผู้คิดแผนโจมตีแคว้นต่า ง, างๆให้แก่จันทรคุบเมื่อรวบรวมได้พอสมควรแล้วจันทรคุบก็ขับไล่อิทธิพลของกรีกในปัญจาบแล้วก็ยกเข้าปร้นเมืองใหญ่ๆในแคว้นมคตในเวลานั้นกษัตริย์ผู้กรองแคว้นทรงนามว่าพระเจ้าธนานันทะเป็นพระอนุชาองค์ที่เก้า ของพระเจ้านันทะปฐมราชครั้งแรกยกทัพจันทรคุบถูกตียับเยินจนจันทรคุบต้องหนีเข้าป่าบังเอิญไปได้ความคิดจากคำด่าของลูกหญิงชาวบ้านคนหนึง่งซึ่งทำขนมเบื้องสุกแล้วให้ลูกกินข้างฝ่ายเด็กอารามตะกระก็กัดตอนกลางของขนมซึ่งยังร้อนระอุอยู่ ร้อนปากก็ขายทิ้งแล้วร้องไห้ขอขนมกินใหม่ยิ้งมานดากโกรธร้องด่าว่าไอ้ลูกพานชาติชั่วหาปัญญามิได้ทำไมไม่กัดกินแต่ริมเข้าไปกระโจมกัดเอาตรงกำลังร้อนแล้วทิ้งให้เสียขนมเมืองนี้ไอ้ลูกมาหาโจรจันทรคุบทีเดียวจะตีเมืองไม่ค่อยตีแต่ขอบริมเข้าไป โลกตะกระโจมตีเมืองใหญ่เหลือกำลังตัวก็แตกพ่ายแพ้เหมือนมึงโลบกินขนมเบื้องนี้จันทรคุบได้สติจากคำว่าด่าลูกของหญิงคนนั้นแล้วจึงรวบรวมพวกใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าตีบ้านเล็กเมืองน้อยตามชายแดนมคตเข้าไปทีละเมืองสองเมืองเป็นลำดับจนในที่สุด สามารถตะลุยเข้าไปถึงนครปาตาลีบุตรพระเจ้าธ น, นันทาต่อสู้จนกระทั่งสิ้นพระชนในสนามยุทธ์จันทรคุปจึงทําพิธีปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์ตั้งโมริยะวงขึ้นในนครปาตาลีบุตรเมื่อพุทธศักราช222ตลอดระยะเวลา24ปีจันทรคุปนั่งบัลลังก์อยู่ ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการรบพุ่งปราบรามแว่นแคว้นต่างๆในลุ่มแม่น้ำสินธุและคงคาตลอดจนการขับไล่อิทธิพลของกรีกให้พ้นไปจากภาระตะทางบาบิโลนนายทัพคนหนึ่งของพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์ได้ครองตำแหน่งราชาบาบิโลนแทนอเล็กซานเดอร์คิดจะแสวงหาอนุภาพอย่างอาเล็กซานเดอร์ จึงยกทัพเข้าตีอาณาจักรบากเตรียในพุทธศักราช237ปีรุ่งขึ้นก็ญาตราทัพเข้าสู่ดินแดนพรตะข้าแม่น้ำสินธุได้พุ่งเข้าปัญจาบในปีพุทธศักราช238ทัพกรีกกับมคตได้ประจันหน้ากันที่สมรภูมิแห่งนครปาตาลีบุตรเวลานั้นเฉพาะในเมืองปาตาีบุตรมีพลเมือง สี่แสนคนมีทหารช้างอีกสี่พันด้วยแสนยานุภาพอันเกรียงไกรนี้จึงสามารถตรึงทับกรีกไว้ได้เมื่อไม่สามารถเอาชนะกันได้ทั้งสองฝ่ายจึงทาไมตรีกันราชาบาบิโลนถวายแคว้นสี่แคว้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของพรตะให้แก่มคต พระเจ้าจันทรคุปถวายช้างศึกห0 0อเชือกเป็นเครื่องตอบแทนราชาบาบิลนยกพระธิดาถวายจันทรคุปองค์หนึ่งในรัชสมัยของจันทรคุปอำนาจของมคตเกรียงไกา ย, ยิ่งใหญ่ภาคเหนือขึ้นไปถึงภูเขาหินดูกุฏเลยเข้าไปถึงอัฟกานิสถานอ่าวเบงกอลอำนาจของกรีกหมดรัศมีลงในที่สุด ปฐมมกษัตริย์แห่งโมริยะวงศ์ก็ทรงละทิ้งดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลไว้ให้เป็นมรดกแห่งพระราชบิดาของอโศก ค, คือพระเจ้าพินทุสารบัตรนี้ราชสมบัตินั้นก็ตกมาถึงพระองค์เอง อตีตารมแห่งกษัตริย์องค์ที่สามแห่งโมริยะวงนครปาตาลีบุตรได้สะดุดหยุดลงเพียงเท่านี้จากนั้นพระองค์ก็ทรงฝ่ถึงอนาคตอนาคตที่พระองค์จะต้องดําเนินตามรอยพระบาทแห่งปฐมกษัตริย์คือพระอัยกาจะต้องรวบรวมอาณาจักรต่างๆที่กระจัดพัดพลายกันอยู่ให้เป็นสุวรรณปัตพีแผ่นดินเดียวกัน หากพระตะยังอยู่ในภาวะที่แยกกันอาจเป็นทางให้ศัตรูภายนอกยกทัพมาย่ำยีอีกผู้อ่อนแอจะต้องเป็นเหยื่อของผู้ที่แข็งแรงทำนองเดียวกับคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดเสมอมาอนาคตแห่งพระตะประเทศโดยเฉพาะอาณาเขตมคตจะต้องเป็นจุดรวมแห่งอาณาจักรทั้งหมดพระองค์จะต้องเป็นผู้นาความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นปึกแผ่นมาสู่พี่น้องชาวชมพูทวีปและแล้วจินตนาการของพระองค์ก็กลับย้อนหลังไปสู่อดีตอันล่วงมาแล้วสี่ปีเมื่อพระองค์ได้รัชสมบัติมาจนบัดนี้เกือบจะไม่ได้หยุดหย่อนพักผ่อนกันเลยพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยด้วยเรื่องสงครามแย่งรัชสมบัติแห่งอาณาจักรมคตระหว่างพี่น้องกันเองบัดนี้เรื่องทานองนั้น พอนอนพระไทยได้แล้วคงจะสิ้นสุดหยุดเพียงเท่านี้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์อย่างแท้จริงและเพื่อมหิทธานุภาพของพระองค์เองพระเจ้าอาโศกจึงทรงดําริถึงการปราบดาพิเศษอย่างเป็นพิธีการมโหาราณพระเจ้าอาโศกทรงดําริถึงการปราบดาพิเศษอย่างเป็นพิธีการมโหาราณ รับสั่งให้อัครมหาเสนาบดีพระทะคุบและสีคารินเข้าเฝ้าส่งมอบหมายให้กำหนดงานปราบดาพิเศษอันมโหราณยิ่งขึ้นในเร็ววันพิธีนั้นติดตาตรึงใจชาวมคตเป็นที่ยิ่งแล้วควา ม, มโหราณในงานพิธีปราบดาพิเศษดังนี้ทั่วเขตแคว้นมคตโดยเฉพาะนาคนปรปาตลีบุตร ติดตั้งโคมไฟหลากสีสว่างนวลดุดทิพยนครทรงเลือกวันพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันพิธีราชาพิเศษแสงสีเงินยวงส่องสาดสู่พื้นเมธนีและปราสาทอันเสียดยอดแห่งจอมราชาดูแววาวประหนึ่งวชิราลงกรธงชัยประจำเครื่องหมายพระนครและประจำกริยัถูกยกขึ้นสู่ยอดเสาปลิวสะบัด เล่นลมทั่วขอบขันทศีมาอนาเขตแห่งมคตารัฐประชากรแต่งกายสวยงามด้วยเสื้อผ้าเนื้อดีสีงามระยับประพรมรูปไล้ด้วยจุนจันทร์น้ำหอมบ้างเดินคู่บ้างเดินเป็นกลุ่มกลมชมมหโหระททั่วนครเสียงมโหรีเสียงประโคมและเพลงขับกึกก้องเสียงร้องอวยพรให้พระราชา จงสมพระเจริญสนันวันไว้สลับกันไปกับเสียงประโคมและดนตรีในลำน้ำคงคาลำน้ำจำปาและลำน้ำาสนอันล้อมมคตอยู่ทั้งสามด้านกลากรำไปด้วยหญิงชายภายเรือร้องเพลงชมจันทร์และกล่าวบทกวีร้อยกรองเทิดพระเกียรติอโศกจอมราชันนมสาวที่รักกันมานานก็ชื่นชมสมนนัต ที่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกันในวันมหามงคลเช่นนี้ส่วนที่รักกันใหม่ๆยังมีกล้าออกปากฝากรักโดยตรงก็พายเรือเคียงกันแล้วกล่าวบทกวีเป็นเชิงบอกความในใจของตนไม่เคยเลยที่จะเผยพจีรักแต่ดวงพักนัยนาพาชวนฝันอีกดวงใจใฝ่เฝ้ารั้ารำพันว่าตัวฉันรักเธอเสมอมา รักเอยรักจำเป็นนักลือจะเอยเผยภาษาความรู้สึกลึกล้ำฉ่ำวิญญาดูในตาก็ประจักษ์ว่ารักแรงฉันรักเธอรักเสมอชีวินไม่กินแหนงรักนงรามงามคุณสุนทรแสดงรักที่แจ้งน้ำใจเธอใยดีฝ่ายหญิงได้ยินคำกวีทํานองนี้ ก็ดึงผ้าคลุมเสียนให้กระชับชิดยิ่งขึ้นซ่อนยิ้มเสียเพราะความสะเทินอายนางที่ใจกล้าก็ร้องตอบออกมาบ้างหญิงทนคิดถึงสิ่งนี้กี่ปีแล้วเคยเห็นแววอะไรบ้างไหมหนอเคยวิงวอนอ้อนใจให้ใครรอจะให้พ้ออย่างนี้สกี่กลา เรือสองลำล่องเรียบลำน้ำขนานกันไปชายหญิงเหลียวมาศบตากันเข้าชายโยนกุหลาบแดงลงให้หญิงเพียงตาต่อตาหวานถึงปานนี้หากฤดีต่อจะหวานสักปานไหนเพียงตาต่อตาหวานฝากความในหากต่อใจต่อชีวันฉันยั่งยืน หากุหลาบแดงแฝงรักจำหลักแนบให้เธอแอบแก้มไว้ใกล้ๆหมอนอบกลิ่นกลุ่นอุ่นขวัญ น, นิรันดรหลับตา น, นอนกระซิบใจให้ฝันดีบนภูเขาวินไทยทางใต้ของมคตทรัตและบริเวณเชิงเขานั้นได้รับการประดับตกแต่งอย่างสวยงามประทีปโคมไฟย้อยระยะมองดูจากเบื้องล่าง ปานทิพวิมานอันล่องลอยอยู่ในอากาศประชาชนร่าเริงบันเทิงใจเล่นมหลสพตลอดราตรีทั่วนครปาตาลีบุตรและเขตแคว้นมคตทั้งปวงสว่างติดต่อเป็นพืชเดียวกันพร้อมทั้งแสงสีขาวเครื่องหมายแห่งอรุณเบิกฟ้านั้นเสียงกล้องกัปปนาชดังขึ้นประหนึ่งถล่มธรณีว่าขอจอมราชันจงทรงพระเจริญ